คนมีสามประเภทหนึ่งนะหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้วางแผนชีวิตใดๆเพราะปัญหามันโผล่เข้ามาปุ๊บปุ๊ปปปุมารอบด้านเสร็จก็แก้ปัญหาแก้ทันทีเลยเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขนาดนั้นเลยแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างผิดบ้างถูกบ้างคือมันพอมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาโผล่เข้าม า, ม า, มาปุ๊บ ก็แกเฉพาะนะั้นเคยเห็นไหมคนแบบนีไ้ไม่ได้คิดอะไรพอเจอปัญหาก็แก้ไปแก้ไปแก้ไปได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็พอไปได้เคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเราเป็นไหมประเภทที่สองเป็นคนที่ถูกกิเลสในใจบีบคั้นเป็นคนวิตกกังวลโอหเป็นคนกระตือรือร้อนเหมือนกันแต่ว่าเครียดทก กลัวอันนั้นจะเกิดแต่นี้จะเกิดโอ้ยแก้ไขปัญหาด้วยการถูกกิเลสลุมเลา้าแต่พวกนี้แก้ไขปัญหาได้นะแต่ไม่มีความสุขในชีวิตเป็นคนที่วิตกกังวลอะไรจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะไปเจอตรงนู้นแต่ละวันแต่ะวันโอ้ยวางแผนจัดแจงด้วยแต่ถูกกิเลสความโลภครอบงำบ้างความโกรธครอบงำบ้างความหลงครอบงำบ้าง ตั้หามานะที่ติดผักดันแต่ก็เร่งรีบในการแก้ไขเพราะกลัวตนเองไม่ประสบความสาเร็จในสิ่งต่างๆเรียกวเภทที่สองเคยเห็นไหมเป็นหรือเปล่าเป็เป็นอยู่บางทีไม่ไมเรียกว่าที่สองประเภทที่สามประเภทที่สามนี่เป็นคนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยปัญญาก็คือว่าพอเห็นผลปุ๊บรู้ด้วยเหตุมาจากอะไร รู้เลยว่าโอ้ผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้มาจะเกตดอะไรสาวหาเหตุปัจจัยเข็นกำลัทงทำเหตุอย่างนี้รู้ว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลชํานาญในเรื่องตรงเนี้ยเรื่องเหตุเรื่องผลชัดมากแล้วทําการทั้งหลายด้วยสติสัมปชัญญะได้ปัญญารู้และเข้าใจรู้ว่าถ้าทําเหตุอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นทําเหตุอย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นก็ป้องกันไม่ทําเหตุที่เสียทําเหตุที่ดีงามเพื่อแล้วก็เห็นผลในอนาคต ก็ทําการทั้งหลายด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความโปร่งร่วงเบานี่คนประเภทที่สเราควรเป็นประเภทที่ไหนประเภทที่สามอยู่ไหดยส่วนใหญ่ในปะระเภทที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยคนจะเป็นกันเยอะเราก็แก้ไขพยายามมาอยู่ประเภทที่สเพื่อเรามาเดินมรรคสัจให้ถูกต้องเดินข้อที่4นั่นเองที่พูดมาสักพูดถ้าเดินอย่างนี้ได้ถูกต้องโอ้ดีชัดเลยเวลาเห็นอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาปุ๊บเราใช้กระแสของปัญญา คือสมมาที่ติดเกิดขึ้นมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยถ้าเราพัฒนาปัญญาได้ระดับไหนเราก็เราก็เข้าใจมันเช่นเราไปเห็นคนคนนี้ก็เป็นแบบนี้เราเข้าใจแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเห็นองค์ประกอบทั้งหมดแยกแยะทุกส่วนแต่เรายังไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้แต่เราสามารถที่จะวางท่าทีทางใจโดยไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นแล้วเกี่ยวข้องได้ อันนี้ถือว่าแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่เพื่ไปเกลือกกลั่วหรือความทุกข์หรือความเจ็บปวดที่เขาเป็นอันนี้แปลว่าเราแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งมีระดับที่หนึ่งระดับที่สองถ้าพัฒนาศักยภาพความสามารถแข็งแรงจริงเป็นคนที่มีพลังในความเชื่อมั่นมีสติสมาธิมีความกล้าหาญมีปัญญารู้รู้ขั้นตอนและสามารถจะช่วยเขาได้เหมือนแข็งแรงถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้ตกนะแต่เราแข็งแรง ในการที่จะสามารถช่วยเขได้แล้วก็ช่วยแล้วจะช่วยแต่ละคนแล้วก็ดูคนมันตกน้ำเยอะบางคนมันไม่พยายามกระเสือกกระสนช่วยตัวเองเลยใช่ไหมเราเห็นในคนคนนี้กระเสือกกระสนช่วยเลยนี่เันหรือหรือเวลาเราเห็นเหมือนเหมือนรถวิ่งวิ่งไปทางนี้มันวิ่งไปตกเขียวทางนี้มันวิ่งปลอดภัยเราเรารู้จักอะไรคนขับ เราเห็นไอ้คนเนี่ยมันวิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นมันเกี่ยวข้องกับเราเรารู้จักสนับสนองโอ้โหบางคนเครียดกินเลยเง้ยห้ามยังไงมันก็ไม่ฟงังห้ามยังไงก็ไม่ฟงังมันวิ่งไปเรื่อยมันเหมือนคนบางคนที่ทําสิ่งไม่ชอบใจเรารู้ว่ามันจะพังแต่ศักยภาพเราไม่พอถ้าศักยภาพเราพอเนะ้ยหนึ่งเราไม่ทุกข์เราเข้าใจความจริงกับ เ, เขามีความคิดที่ผิดมันจะเป็นอย่างเงี้เรามีโอกาสสักก็ชี้แจง แล้วก็ชี้เสี่ยงทางเนี้ยถ้าไปมันจะเสี่ยงหายทางนี้ถ้าไปจะปลอดภัยบอกให้เต็มที่บอกเหตุบอกผลบอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็วางท่าทีทางใจว่าฉันได้ทําดีดทั้งที่อย่างนี้ชื่นใจไหมเออถ้าอย่างเนี้ยบอกเสร็จแล้วเขาก็ยังเลือกทางนั้นที่จะไปก็แปลว่าเขาต้องรับผลใกนการนีใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั้นการที่เราจะแนะนําอะไรใครบางทีเราก็ใช้ปัญญาดู ถ้าปัญญาถึงมันแก้ได้ทุกขั้นตอนแต่ถ้ายังไม่ถึงที่เห็นความจริงระดับนั้นแล้วแก้ได้ก็คือวางใจให้เราไม่เป็นทุกข์อันี้สำคัญที่สุดเลยอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าวางใจตัวเองไม่ให้เป็นทุกข์อีกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดพอมองออกสังเ